นะโมตัสสะปะกวาโตอะราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะกวาโตอะราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะกวาโตอะราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธรรมังสังขังนัมัสสามิ บัดนี้จักได้แสดงธรรมกถาสืบต่อไปจงพากันตั้งใจฟังโดยสัจจะเคารพเถิดข้อที่สองความโสกเกิดจากสิ่งที่รักพระพุทธภาษิตปิยโตชายเตโสโกปิยโตชายเตพยังปิยโตวิปมุตตสระ นติโสโกกุโตโพยังแปลว่าความโศกเกิดจากสิ่งที่รักความกลัวภัยเกิดจากสิ่งที่รักความโศกและความกลัวย่อมไม่มีแก่ผู้ที่พ้นแล้วจากสิ่งที่รักพระพุทธภาสิทธินี้แสดงว่าสิ่งที่รักเป็นที่ตั้งแห่งความโศกและความกลัวเมื่อไม่มีที่รักความโศกและความกลัวก็ปราศนาการไป เพราะไม่มีที่ตั้งอุปมาเหมือนพื้นดินเป็นที่ตั้งแห่งสัตว์บุคคลและทรัพย์สินทั้งหลายทั้งที่เป็นสังหาริมะและอสังหาริมะเมื่อมีที่รักความกังวลและความหวงแหนก็ตามมาเพราะความกังวลและความหวงแหนนั้นเป็นเหตุเป็นปัจจัยความโศกและความกลัวก็ตามมาโศกเมื่อต้องพัดพลาดจากที่รักหรือที่รักพัดพลาดจากไป กลัวว่าที่รักจะเปลี่ยนแปลงเป็นอื่นไปไม่ยั่งยืนจิตที่ความโศกและความกลัวยังย่ำยีได้นั้นคือจิตที่ยังมีความรักคองอยู่หรือยังค่องอยู่ในสิ่งที่รักยังไม่ประหลาดจากทุรีคือราคะโทสะและโมหะยังไม่กเกษมจากโยคะคือกามภพทิฏฐิและอวิชชาเรื่องต่อไปนี้เป็นตัวอย่างให้เห็นได้เรื่อง กุดุมพีคนหนึ่งเมื่อพระศาสดาประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีกุดุมพีคนหนึ่งที่เมืองสาวัตถีนั้นเศร้าโศกเพราะลูกตายเขาไม่อาจห้ามความเศร้าโศกถึงบุตรได้ไปป่าช้าร้องให้ทุกวันเช้าวันหนึ่งเวลาใกล้รุ่งพระศาสดาทรงตรวจดูอุปนิสัยของเวนยสัตว์ตามพุทธประเพณี ได้สรงเห็นอุ ป, ปนิสัยแห่งโสดาปติมักของกุฎุมพีนั้นจึงเสด็จไปส่งเยี่ยมสนทนาปราศัยกันแล้วกุฎุมพีกราบทูลถึงความโศกของตนพระาศาสดาจึงตรัสลอบว่าอย่าเศร้าโศกเลยความตายไม่ใช่มีในที่เดียวมิใช่มีแก่คนคนเดียวแต่ความตายเป็นสิ่งสาธารณะแก่คนและสัตว์ทั่วไป พบยังมีอยู่เพียงใดความตายก็ยังมีอยู่เพียงนั้นสังขารชื่อว่าเที่ยงย่อมไม่มีสักอย่างเดียวเพราะฉะนั้นท่านจึงพิจารณาด้วยปัญญาอันลึกซึ้งว่าสิ่งมีความตายเป็นธรรมดาตายแล้วสิ่งมีความแตกเป็นธรรมดาแตกแล้วไม่พึงเศร้าโศกควรเจริญมรณสติภาวนาอย่างเดียวบัณฑิตแต่โบราณเมื่อลูกตายก็หาเศร้าโศกไม่ พิจารณาเห็นว่าสิ่งมีความตายเป็นธรรมดาตายแล้วสิ่งมีความแตกเป็นธรรมดาแตกแล้วไม่เศร้าโศกกุดุมพีอ้อนบอนพระพุทธองค์ให้ทรงแสดงเรื่องของโบราณนักบัณฑิตพระาศาสดาจึงทรงแสดงอุราคะชาดกในปัญจกนิบาศแล้วตรัสถึงคาของโบราณนับัณฑิตผู้ประรคถึงบุตรที่ตายว่า บุตรของเราเมื่อสรีระใช้ไม่ได้แล้วและสรีระของตนไปเหมือนงูลอกคราบเมื่อบุตรของเราตายจากไปแล้วเขาถูกเผาอยู่ไม่รู้ถึงการปริเทวนาของพวกญาติเพราะฉะนั้นเราจึงไม่เศร้าโศกถึงบุตรนั้นเขามีคติเช่นใดก็ไปสู่คติเช่นนั้นเองพระาศาสดาตรัสต่อไปว่าบัณฑิตแต่การก่อนเมื่อบุตรตายแล้วไม่ได้เศร้าโศกอย่างท่าน แต่เขากลับอธิษฐานใจทำงานอย่างเดิมและเจริญมรณสติเป็นประจำขอท่านจงทำอย่างนั้นด้วยความโศกก็ตามภัยก็ตามย่อมเกิดเพราะอาศัยสิ่งที่รักโดยแท้ดังนี้แล้วตรัสพระพุทธภาศิทาปิยโตชายเตโสโกเป็นอาทิมีนัยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบพระธรรมเทศนาโกดมพีได้ตั้งอยู่ในโสดาปฏิผลแล้วแล เดินอ่านี้มันก็เป็นสิ่งที่ทำใจยากสำหรับผู้ที่ไม่ได้เจริญวรณสติบ่อยๆ อ, อ, อย่างโยมที่สามีตายเมื่อวันสื่นเขามาปรับทุกขธิบายการปฏิบัติธรรมถ้าไม่ได้เจริญจริงๆมันไม่เข้าถึงใจจริงๆนจนจนไม่รู้ว่าตัวเองจะเป็นอย่างไรจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวมันล่องรอยไปเพรางั้น ม, มันสร้างความรู้สึกว่าเราหมดทุกสิ่งทุกอย่างหลานก็ตายสามีก็ตายเนี่ยจริงจริงแล้วธรรมะนี่ท่านบอกว่าถ้าเรามไม่หมั่นพิจารณาในข้อนี้มันตรงกันข้ามนี้กำลังจิตใจของเราก็อ่อนนีธรรมะแต่ละข้อบางอย่างภาวนาเพื่อละความโกรธบางอย่างภาวนาเพื่อละความโลภบางอย่างภาวนาเพื่อบรรเทาความโศก หรือความพัดพลากจากสิ่งที่รักและนบางครั้งก็ต้องภาวนาถ้าที่จะภาวนาเพื่อให้มันสางจากความรักหรือความโศกนี้ท่านให้พิจารณาถึงมรณานุสติบ่อยๆหรือกรรมฐานที่เราสวดเรื่อยๆเราจะต้องพัดพลากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้น เรามีความแก่เป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดามีความพัดพากเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นไปได้ก็พิจารณา บ, าบา่อยๆนี่ถึงจะมีกำลังหัวข้อที่สก็เหมือนกันความโศกเกิดแต่ความรักพระองค์ทรงตัดว่าเปมะโตชยะเตโศโกเปมะโตชยะเตพระตัง เตมโตวิปมัตตสันติโสโกกุโตพยังแปลว่าความโศกย่อมเกิดแต่ความรักความกลัวเกิดแต่ความรักความโศกและความกลัวย่อมไม่มีแก่ผู้พ้นจากความรักนะพระพุทธภาษิตนี้มีลักษณะคล้ายคลึงกับข้อความในเรื่องที่สองแต่ในเรื่องที่สองกล่าวถึงสิ่งอันเป็นที่รักว่าเป็นที่ตั้งแห่งความโศกและความกลัวส่วนในที่นี้กล่าวถึงความรัก ว่าเป็นที่ตั้งเป็นบ่อกเกิดแห่งความโศกและความกลัวในเรื่องที่สองกล่าวถึงวัตถุกรรมแต่ในที่นี้กล่าวถึงกิเลสกรามคือตัวความรักว่าตามความเป็นจริงถ้าไม่มีความรักแม้จะมีสิ่งอันน่ารักสิ่งนั้นก็ไม่มีอำนาจอิทธิพลครอบงำบุคคลเช่นนั้นได้บุคคลผู้มีใจหลุดพ้นจากความรักแล้วปิยารม รัชนียอารมณ์จะประนีตสัก์เท่าใดก็ไม่อาจครอบงำบุคคลเช่นนั้นได้เหมือนน้ำไม่ติดไปบัวส่วนบุคคลผู้มีใจผัวพันอยู่ด้วยความรักแม้ไม่มีวัตถุอันเป็นที่รักอยู่บ้างหน้า ก, ก็ต้องพยายามแสวงหามาจนได้ใจยังแสหาอารมณ์เช่นนั้นอยู่เมื่อยังมีความรักความโศกและความกลัวก็ตามมาความโศกและความกลัวเช่นนั้นย่อมไม่มีแก่ผู้พ้นแล้วจากความรัก การที่บุคคลต้องเศร้าโศกในเมื่อบุตรภรรยาหรือญาติพี่น้องต้องล้มหายตายจากไปก็เพราะมีความรักในบุคคลเหล่านั้นอันหนึง่งเมื่อตนเองต้องเจ็บไข้กลัวจะต้องเสียชีวิตและเศร้าโศกอะไรในชีวิตนั้นก็เพราะยังรักชีวิตอยู่คนไม่มีความรักในชีวิตย่อมไม่กลัวตายและย่อมไม่เศร้าโศกในมรณะภัยและในมรณะสมัย ความรักจึงเป็นต้นเหตุแห่งความโศกและความกลัวดังพรรณนามาชะนี้ยิ่งรักมากก็ยิ่งต้องโศกและกลัวมากความรักทำให้ต้องกังวลมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งความรักของหนุ่มสาวอันเจือด้วยสเสน่หาราคะมีความระแวงไม่ไว้วางใจกันเป็นเหตุให้เกิดความกลัวไปต่างๆกลัวเขาจะรักตัวน้อยกว่าที่ตัวรักเขา กลัวเขาจะเลิกรักตัวแล้วไปรักคนอื่นกลัวสารพัดอย่างคนที่เคยรักมาแล้วย่อมทราบได้ดีว่าสภาพจิตของผู้ที่ตกอยู่ในห่วงรักนั้นเป็นอย่างไรเมื่อผิดหวังก็ต้องโศกมากบางคนถึงกับฆ่าตัวตายก็เพราะความรักนั่นเองทําพิษเอาเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่วัดเชตวันเมืองสาวัตถีทรงปรารบวิสาขามหาอุบาสิกามีเรื่องย่อดังนี้ นางวิสาขามีศรัทธาในพระตัตฐาไตรามากทำบุญให้ทานอยู่เป็นนิดทั้งที่บ้านและที่วัดที่บ้านนั้นเลี้ยงพระวันละห้าร้อรูปเป็นประจำแต่เนื่องจากนางมีธุระต้องออกงานสังคมมากเพราะใครๆในเมืองสาวัตถีเมื่อมีงานไม่ว่างานมงคลหรืออวมมงคลต้องเชิญนางวิสาขาไปในงานของเขา้วยเสมอ นางวิสาขาจึงมอบตำแหน่งผู้จัดการงานทางบ้านให้เป็นหน้าที่ของหลานสาวคนหนึ่งชื่อสุทัตตีให้เธอเป็นผู้ช่วยขวนขวายในการเลี้ยงพระแทนตนต่อมาสุทัตตีถึงแก่กรรมนางวิสาขาไม่อาจกลั้นความโศกได้เมื่อให้ทิ้งสรีระของสุทัตตีแล้วมีความทมนัดเป็นอย่างยิ่งรีบไปเฝ้าพระาศาสดา ต้องให้ทิ้งสรีระคือทิ้งในป่าชา้าให้เป็นภาระของสัปเหร่ทการเผาโดยเพ่งความว่าประเพณีอินเดียตั้งแต่โบราณมานิยมการเผาจนถึงปัจจุบันนี้พระพุทธองค์ทรงทักว่าวิสาขาเหตุไรจึงมีทุกข์มีหน้าชุ่มด้วยน้ำตานั่งร้องไห้อยู่นางทูลสาเหตุแห่งความโศกให้ทรงทราบแล้วเพิ่มเติมว่า สุทธตีกุมารีเป็นที่รักเลือกเกินของหม่อมชันเธอเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวัดวงเล็บมีความประพฤติดีมีความรู้สึกสูงหม่อมชันจะหาคนเช่นนี้ไม่ได้อีกแล้ววิสาขาในเมืองสาวัตถีมีคนประมาณเท่าใดพระเจ้าข่าพระองค์นั่นแหละเคยตัดบอกหม่อมชันว่ามีคนอยู่ประมาณเจ็ดโกดวงเล็บคือเจสิบล้าน ถ้าคนเหล่านั้นมีความประพฤติดีมีความรู้สึกสูงเช่นหลานของเธอเธอจะรักเขาไหมแน่นอนพระเจ้าข่าหม่อนชั้นต้องรักเขาก็ในเมืองสาวัตถีมีคนตายวันละประมาณเท่าใดมากทีเดียวพระเจ้าข่าวิสาขาถ้าอย่างนั้นเธอจะไม่ต้องเศร้าโศกร้องให้ทั้งกลางคืนกลางวันหรือนางวิสาขาได้สติด้วยพระดำรัสเตือนนั้นแล้วทูลว่าช่างเถิดพระเจ้าข่าหมอมชั้นได้ทราบแล้ว ลำดับนั้นพระศาสดาจึงตรัสว่าความโศกและความกลัวย่อมเกิดแต่ความรักเป็นอาทิมีนยะดังรรณนามาแล้วแต่ต้นนี่ก็มีแต่เรื่องความโศกความรักเนื่องจากผัดพรักจากรักจึงเป็นความโศกเนี่ยความโศกเกิดจากความยินดี พระพุทธภาสิต ร, รติยาชายเตโสโกโ ร, รติยาชายเตพยังรติยาวิปปมุตตัสระนัติโสโกโกุโตพยังแปลว่าความโศกย่อมเกิดจากความยินดีภัยย่อมเกิดจากความยินดีความโศกและภัยย่อมไม่มีแก่ท่านผู้หลุดพ้นแล้วจากความยินดี พระพุทธภาสิทินี้เหมือนในเรื่องที่สองและที่สามต่างแต่ในที่นี้ทรงแสดงความยินดีว่าเป็นบุญแห่งความโศกและภัยความยินดีในที่นี้พระอธกถาจารย์อธิบายว่าหมายถึงความยินดีในกามคุณหากามคุณแปลว่ากลุ่มกามโดยชื่อคือรูปเสียงกลิ่นรสโภชพะอันน่าใคร่น่าพอใจกามแปลว่าสิ่งอันน่าใคร่หรือความใคร่ ประการแรกหมายถึงวัตถุกรามประการหลังหมายถึงกิเลสกรามสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยา ว, ยาวชิระยานนวโรรสทรงอธิบายไว้ในธรรมวิภาคปริเชต ท, ที่สองหน้าสองว่ากิเลสกรามได้แก่กิเลสให้ใครคือราคะโลภะอิจฉาหรือความอยากได้อิจฉาความลิษยาหรือความหึงอรติความไม่ยินดีด้วยอาศันตุติความไม่สันโดษเป็นอาทิ วัตถุกรามได้แก่กรามมาคุณห้าคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏพะอันเป็นที่น่าปรารถนารักให้ชอบใจในสังยุตติกายสขาทวักทรงแสดงว่าสิ่งวิจิตสวยงามในโลกนี้ไม่ใช่กรมแต่ความกำหนัดเพราะความดำริต่างหากเล่าเป็นกรมของคนนักปราดกระชาก ค, ความพอใจในสิ่งสวยงามนั้นได้แล้วสิ่งสวยงามทั้งหลายก็คงมีอยู่ในโลกอย่างเกอ้อเกอ ในที่นี้ชี้ไปที่กิเลสคือความใคร่หรือความกำหนัดเพราะความดำริว่าเป็นกามในกุธักกนิกายพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทักกามว่าเกิดจากความดำริเหมือนกันดังพระพุทธภาษิตว่าอัทธสังกามเตมูลังสังกปากามชายาสิณนะตังสังกปะยุตสามิเอวังกามนะนเหสสิ แปลว่าดูก่อนกามเราได้เห็นต้นเขาของเจ้าแล้วเจ้าเกิดจากความดำรินี่เองเราไม่ได้ดำริถึงเจ้าอีกด้วยประการชนนี้เจ้าจะมีอีกไม่ได้เปรียบไปก็เหมือนว่าความดำริถึงการเหมือนไฟวัตถุอันสวยงามอันเป็นที่ตั้งแห่งความใคร้เปรียบเหมือนเชื้อไฟเมื่อประจวบเข้าทั้งสองอย่างไฟก็ลุกขึ้นปรากฏให้เห็น ซิกมันฟ e อยนักจิตวิทยาลือนามชาวเยอรมันมีทัศนะว่าอารมณ์ใครหรือกามเป็นอารมณ์พื้นฐานของมนุษย์อารมณ์ต่างๆสืบเนื่องไปจากอารมณ์ใครทั้งสิ้นอารมณ์ใครเป็นอารมณ์เดิมของมนุษย์และฝังแน่นอยู่ในจิตมีอาการไหลลึกและแรงอยู่เสมออารมณ์ใครนี้เองเป็นเหตุให้เกิดอารมณ์อื่นๆต่อไปอีก อย่างไรก็ตามทศนะทางพระพุทธศาสนาเห็นว่ากามหรือความยินดีพอใจในกามนั้นเป็นเหตุให้เกิดทุกข์มากกว่าสุขอปัสสาธาทุกขากา ม, มาเท่ากับกามมีรสอร่อยน้อยมีทุกข์มากอีกแห่งหนึ่งตรัสว่าอานิจจาอัตุวากามาพระหุทุกขามหาวิสาอโยคุโลวะสันตโตอาคมโมลาทุขัพลา กามทั้งหลายไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนมีทุกมากมีพิษมากร้อนเหมือนก้อนเหล็กแดงมีความขับแค้นเป็นมูลมีทุกขเป็นผลดังนั้นผู้ยินดีในกามก็คือผู้ยินดีในทุกข์ผู้ใครในกามก็คือผู้ใครในทุกขเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ณนะกูตาคารศาลาป่ามหาวันเมืองเวสาลีทรงปรารภพวกเจ้าฤทิ์สวีมีเรื่องย่อ ด, ดังนี้ ในวันมโหรสพวันหนึ่งพวกเจ้าฤาษีเหล่านั้นทรงแต่งพระองค์อย่างสวยงามออกจากพระนครสเสด็จไปพระราชอุทยานพระาศาสดาเสด็จเข้าไปบินทบาทในเมืองเวสาลีทอดพระเนตรเห็นเจ้าฤาษีเหล่านั้นแล้วตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าใครที่ยังไม่เคยเห็นพวกเทวดาชั้นดาวดึงก็จงดูพวกฤาษีนี้แทนได้ พวกลิชวีเข้าไปสู่พระราชอุทยานพาหญิงนครโสเพนีคนหนึ่งไปด้วยอาศัยหญิงนั้นเป็นเหตุอันความริษยาซึ่งกันและกันครอบงำแล้วจึงประหารกันล้มตายไปเป็นอันมากพวกเจ้าพนักงานเอาเตียงหามเจ้าลิชวีเหล่านั้นกลับเข้าไปในเมืองพระศาสดาสเสวยเสร็จแล้วเสด็จออกจากเมืองพวกพิกษุ ที่ตามเสด็จเห็นเจ้าพนักงานกำลังหามพวกเจ้าฤาษีกลับเข้าไปในเมืองจึงกราบทูลพระาศาสดาว่าพระเจ้าข้าเมื่อเช้าตรู่วันนี้พวกเจ้าฤาษีประดับประดาดุดเทวดาออกจากนครบัดนี้ถึงความพินาศแล้วเพราะหญิงคนหนึ่งพระาศาสดาจึงตรัสว่าความโศกและภัยย่อมเกิดจากความยินดีวงเล็บในกามคุณเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณน า, นามาแล้วแต่ต้น โทษเยอะเหมือนกันเนาะมันให้ความสุขน้อยแต่ทุกข์มากต้องพิจารณาให้แยบคายละห้าความโศกเกิดจากกามพระพุทธ ภ, ภาษิตกามโตชายเตโสถโกกามโตชัยเตพยังกามโตวิปมุตตัสนันติโสโกกุโตพยัง ความโศกย่อมเกิดแต่กามความกลัวก็เกิดแต่กามความโศกและความกลัวย่อมไม่มีแก่ผู้พ้นแล้วจากกามสิ่งอันเป็นที่รักความรักและความยินดีในกามได้อธิบายแล้วในเรื่องที่2อสและ4โดยลำดับจึงไม่ต้องอธิบายซ้ําอีกในที่นี้มีพระพุทธภาษิตอยู่มากหลายที่เกี่ยวกับกามและโทษของกามเช่นว่าความอิ่มในกามย่อมไม่มีเพราะความมั่งคั่ง ผู้อิ่มด้วยปัญญาย่อมไม่เดือดร้อนเพราะกามเปลือกตมคือกามหนามคือกามอันผู้ใดข้ามได้แล้วย่อมเยี่ยได้แล้วผู้นั้นย่อมถึงความสิ้นโมหะย่อมไม่วันไหวในสุขและทุกข์กามชื่อว่าเป็นเปลือกตมเพราะทาให้เปื้อนคือก่อให้เกิดมลทินทั้งทางกายและทางใจกามชื่อว่าเป็นหนามเพราะเป็นเสมือนหนามทิ่มแทงกายและใจให้เดือดร้อน ความทุกข์ของโลกทั้งมวลสืบเนื่องมาจากกรรมการเป็นผู้สร้างโลกทรมานโลกวงเล็บโลกในที่นี้หมายถึงสัตวโลกการเป็นเครื่องก่อพพก่อชาติเมื่อมีภพชาติอยู่ตราบใดความทุกข์ย่อมมีอยู่ตราบนั้นเหมือนต้นไม้ที่รากแก้วยังมั่นคงแม้จะถูกหักก้านรานกิ่งไปบ้างมันก็จเรเิญงอกงามขึ้นได้อีกเมื่อมีชาติแล้วชรามรณะก็ตามมา ความโศกความร่ำไรํำพันก็ตามมาด้วยความทุกข์กายทุกข์ใจก็มีขึ้นเพราะการเป็นเหตุพัฒนาไปก็ไม่มีที่สิ้นสุดขอยุติไว้เพียงเท่านี้ก่อนเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภอนิธิคันทักกุมารมีเรื่องย่อ ด, ดังนี้ อ น, นิธิกุมารเป็นบุคคลที่จุติจากพรหมโลกเกิดในตระกูลที่มีโภคะมากในเมืองสาวัตถีตั้งแต่เกิดแล้วไม่ปรารถนาเข้าใกล้หญิงเมื่อถูกผู้หญิงจับก็ร้องให้มารดาต้องอุ้มเขาด้วยเชิดผ้าจึงให้ดื่มนมได้เมื่อกุมารเจริญวัยพอจะมีคู่ครองได้มารดาบิดาต้องการให้เขาแต่งงานแต่เขาตอบว่าไม่ต้องการหญิง เมื่อมันดาบิดาอ้อนวอนหนักเข้าเขาจึงเรียกช่างทองมาให้ทองคําสีสุกพันลิ่มให้หลอมทํารูปหญิงบุอย่างหนาหน่าชื่นชมยิ่งนักเมื่อมัรดาบิดาอ้อนวอนให้แต่งงานอีกโดยอ้างว่าเมื่อลูกไม่แต่งงานตระกูลจากดํารงอยู่ไม่ได้เราจะนํากุมารีมาให้เจ้าเขาเอารูปหญิงทองคํามาให้พ่อแม่ดูบอกว่าถ้าได้หญิงอย่างนี้จึงจะยอมแต่งงานด้วย มารดาบิดาตามใจเขาเรียกพราหมณ์ผู้มีชื่อเสียงมาแล้วมอบรูปทองคํานั้นให้ไปบอกว่าขอให้ไปเที่ยวหาหญิงที่รูปงามเหมือนทองคํานี้บุตรของเรามีบุญมากคงจะมีสตรีที่มีบุญมากคู่ควรกับบุตรของเราเมื่อพบหญิงที่มีรูปงามเช่นนี้แล้วจงนํามาพราหมณ์เหล่านั้นรับคําแล้วเที่ยวจาริกจนถึงส า, นารนครแควนมัทะ พวกเขาได้ตั้งรูปทองคาไว้ที่ริมทางไปท่าน้ำเพื่อให้คนทั้งหลายเห็นด้วยตั้งใจว่าหากในนครนี้มีทีดาใครที่สวยงามปานนี้คนทั้งหลายเห็นรูปทองคาแล้วก็จะพูดว่ารูปนี้สวยเหมือนที่ดาของตระกูลโนนในสาคระเดี๋ยวอ่านเป็นสาคนนคร ก, ก็ได้มีกกมารีผู้หนึ่ง สวยปานรูปทองคำนั้นวันนั้นหญิงแม่นมของกุมารีนั้นให้เธออาบน้ำแล้วต้องการจะอาบเองบ้างจึงไปยังท่าน้ำเห็นรูปทองคำนั้นสำคัญว่าเป็นธิดาของตนจึงกล่าวว่าแม่หัวดือ้อฉันให้เจ้าอาบน้ำแล้วออกมานี่สักครู่นี่เองเจ้าล่วงหน้ามาก่อนเสียแล้วดังนี้แล้วจึงตีด้วยมือรู้ความที่รูปนั้นแข็งและไม่มีวิการ ยึงกล่าวว่าเราคิดว่านางนี้เป็นทิดาของเรานี่อะไรกันเล่าพวกพรามถามว่าท่านมีธิดารูปงามปานนี้หรือธิดาข้องชั้นงามกว่านี้อีกหญิงแม่นมตอบพรามขอร้องให้หญิงนั้นนำพวกตนไปยังเรือนหญิงแม่นมเล่าเรื่องทั้งปวงให้มารดาบิดาของกรมารีนั้นทราบเจ้าของบ้านต้อนรับพรามด้วยความชื่นชมยินดีให้ธิดาของตนยืนเทียบกับรูปทองคา ปรากฏว่ารูปทองคำหย่อนรัศมีลงไปมากพราหม์ได้มอบรูปทองคำนั้นให้แก่มารดาบิดาของหญิงมั่นหมายหญิงนั้นไว้ด้วยรูปทองคานั้นแล้วรีบกลับสู่นครสาวัตถีเรียนให้มารดาบิดาของอนิติกุมารทราบท่านทั้งสองดีใจมากที่ปรากฏว่ามีหญิงงามยิ่งกว่ารูปทองคำอีกอนิธิกุมารเองก็พอใจมากขอให้พวกพราหม์รีบไปนํามา มารดาบิดาของอนิทิกุมารทรงพราหมณ์เป็นตัวแทนไปพร้อมด้วยเครื่องบรรณาการเป็นอันมากเพื่อรับหญิงนั้นมากุ ม, มารีนั้นกําลังเดินทางมาถูกความกระเทือนแห่งพาหนะเดินทางสมัยเดินทางด้วยเกวียนให้ลําบากอยู่จึงล้มเจ็บลงและสิ้นชีวิตในระหว่างทางเพราะความที่นางเป็นผู้ละเอียดอ่อนยิ่งนักอนิทิกุมารถามอยู่เสมอว่ามาแล้วหรือมาแล้วหรือ ญาติมีมารดาบิดาเป็นต้นไม่ได้บอกความจริงทันทีอัมพรางไว้สองสามวันแล้วจึงบอกว่าหญิงนั้นตายเส้นแล้วในระหว่างทางกุมารทราบแล้วเสียใจมากได้เป็นผู้ถูกทุกข์คือความโศกดังภูเขาท่วมทับแล้วพระาศาสดาทรงเห็นอุปนิสัยของกุมารนั้นจึงเสด็จไปบิณฑบาต ท, ที่เรือนของเขามารดาบิดาของเขาถูนอัญเชิญพระาศาสดาให้เข้าสู่เรือนแล้วอังคาา ด, ด้วยความเคารพ เมื่อเสร็จพัฏเกจแล้วพระาศาสดาตรัสถึงอนิติกุมารมารดาบิดาของเขาจึงกราบทูลให้ทราบว่าเวลานี้กุมารผิดหวังเรื่องหญิงที่เขาหมายปองจึงมีความทุกข์มากนอนอดอาหารอยู่ในห้องพระาศาสดารับสั่งให้กุมารมาเฝ้าตรัสถามว่ารู้หรือไม่ว่าความโศกใหญ่ที่เกิดขึ้นครั้งนี้เพราะอาศัยอะไรไม่ทราบพระเจ้าข่ากุมารทูลตอบ เพราะอาศัยกามพระาศาสดาตรัสความโศกก็ดีภัยก็ดีย่อมเกิดขึ้นเพราะอาศัยกามพระพุทธองค์ตรัสย้ำอีกว่ากามโตชายเตโสโกเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบพระธรรมเทศนาอนิธิกุมารได้บรรลุโสดาปฏิผลหมายเหตุอนิธักุมารแปลนนปว่าผู้ไม่ต้องการหญิง เรื่องอย่างนี้แม้ยุคปัจจุบันนี้ก็ยังมีปรากฏอยู่แต่ว่าไม่มีปณิสัยที่จะบรรลุภารันขนาดนั้นเนี่ยเป็นทุกข์มากใหเพื่นแต่งงานกันแต่งการกันใหม่ๆผู้หญิงก็เกิดเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมารักษาอย่างไรก็ไม่หาย ไ, ไปเฝ้ากันอยู่โรงพยาบาลผมก็เคยไปเยี่ยมเหมือนกันที่โรงพยาบาลชนบุรีเนี่ย เขาเป็นคนหน้าตาดีสวยตามภาษาโลกเนี่ยแต่ว่าเป็นโรคอะไรเ็าเรียกโรคเชื้อราโรคเชื้อรามันขึ้นสมองมันเข้าไปตามเส้นอะไรต่างๆทางจมูกทางอะไรเป็นเชื้อราก็ เ, าเป็นเป็นลูกลามในสมองอยู่ไม่นานก็ตายตายไปด้วยความรักแฟน หนุ่มนะโอ้ยทุกทุกจนผ่ายพร้อมทุกจนไม่รู้จะว่าไงนะมันเจอกับใครก็คงจะรู้จักเยว่าอย่างนั้นะภาษาโลกเนะี่ยทุกจนปล่อยเนื้อปล่อยตัวจนเหมือนกันบหมดอะไรตายอยากนะอตอนหลังมาก็ได้เจอบ้างจริงทุกมากมากๆ้องอาศัยธรรมะบางทีท เขาก็เหินถ่างไปนานมาเจอทีโอโห้โซมไปมากเลยเนี่ยสุดท้ายก็ต้องหันเข้ามาสู่การปฏิบัติวัดวาอารามเนี่ยมันไม่มีทางเลือกแล้วถามว่าแต่งงานหรือยัยงยังไม่กล้าแต่งงานเนื่กลัว <c oughs> กลัวจะซ้ำรอยอีกเนี่ยชีวิตมันเอาแน่นอนไม่ได้จริงๆนมันก็โศกทั้งสองฝ่ายสนการพิจารณาถึง ความตายความพับพลากจากของรักของชอบใจเนี่ยจึงเป็นกำลังสำคัญในจิตใจเนี่ยพร้อมที่จะรับมันมีผลมีอนิสงส์มากเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าเราไม่รักไม่อันนั้นนะแต่ว่าเรารู้ว่ามันเป็นเรื่องธรรมดานี่มันก็ไม่แสดงความโศกเศร้าเสียใจอะไรนี่นนครอบครัวของผมเองเนี่ย พ่อแม่พี่น้องตายไม่มีใครร้องไห้เลยเนี่อยู่บ้านนอกคอกนาแต่ว่าเข้าใจเรื่องนี้ดีเพราะว่าตั้งแต่ร้องพ่อชาท่านมาท่านก็สอนแต่เรื่องนี้เนี่เรื่องแก่ความเจ็บความตายแล้วเราก็ให้สวดทุกวันด้วยนี่เราเจอเห็นบ่อยเห็นบ่อยบ่อยมันก็ไม่ใช่เรื่องที่จะมีบ้างมันบางคนอาจจะเพียงแต่ มันยังไงมันแน่นแล้วก็น้ําตาออกนิดหน่อยก็หายเท่านั้นเองไม่ได้ไม่ได้ร้องไห้2วันสองคืน3วันสาคืนหรือหลายๆคืนบางคนเป็นปีเคยมีเขานามานี่เป็นปีเขาพามาพบนี่ทำใจไม่ได้ปีสองปีแล้วก็ทําใจไม่ได้โอ้ยทำใจไม่ได้ทํำยัำไไำยงไงนมันคนตายแล้วนี่จะไปปลุกให้มันฟื้นคืนมามันก็ไม่ได้มันจะโศกไปทําไมทุกไปทําไมเออ ความโศกความทุกข์นีย่อมทำให้ผิวพรรณเศร้าหมองร่างกายอ่อนเพลียกินไม่ได้นอนไม่หลับการงานที่ควรจะทำก็ทำไม่ได้เสียการงานในปัจจุบันไปอีกตนเองก็ป่วยป่วยทั้งทางกายทางใจมันมีโทษเยอะเหมือนกันเนี่ ย, ยท่านจึงให้พิจารณาอยู่เรื่อยๆหกความโศกเกิดจากตัณหา พระพุทธภาษิตตันหายะชายเตโสโกตันหายะชายเตพระยังตันหายะวิปมุตตสระนัติโสโกกุโตพระยังแปลว่าความโศกย่อมเกิดจากตันหาภัยก็เกิดจากตันหาความโศกและภัยย่อมไม่มีแก่ท่านผู้พ้นแล้วจากตันหาภาษิต ท, ที่เราฟังมาทั้งหมดนี้สามารถพลิกแผงได้ในกเราไปสอบนักธรรมนี้ เราเปลี่ยนคำหน้าเท่านั้นก็เรียกว่าใช้ภาษิตได้หลายอย่างเลยอันนี้จะใช้คำว่าตัณหาชายเตโสโกตัณหายชายเตพยังความโศกและภัยเนี่ยย่อมเกิดขึ้นจากตัณหาตัณหายวิปมุตตสระนติโสโกโกโตพยังเนี่ยเมื่อดับตัณหาหรือไม่มีตัณหาแล้วเนี่ยความโศกก็ไม่มีภัยก็ไม่มี คล้ายๆกันนะเนในความทุกข์ความเศร้าโศกก็เหมือนกันในที่นี้ทรงแสดงว่าตัณหาเป็นบ่อเกิดแห่งความโศกและภัยผู้พ้นจากตัณหาแล้วย่อมพ้นจากความโศกและภัยด้วยตัณหาแปลว่าความดิ้นรนทยานอยากความสะดุ้งใจความร่านของใจความติดใจท่านแบ่งเป็นสามชั้นตามลักษณะของภูมิสามคือการรูปและอรูปเรียกการตัณหา ภวะตันหาและพิภวะตันหาตามลําดับหนึ่งความทยานอยากหรือความติดใจในกามเรียกกามตันหาหมายถึงความดิ้นรนอยากได้สิ่งอันน่าใครในกามมาพบทั้งมวลเส้นกา ม, มคุณห้าลาบยศสรเสริญและสุขอันเจือด้วยกามเมื่อได้แล้วก็ติดอยู่สยบอยู่ในกามนั้นเมื่อยังไม่ได้ก็ดิ้นรนเพื่อให้ได้มาเมื่อเสียไปก็เศร้าโศกเสียใจอย่างที่ทรงแสดงว่า เตกามาปริหายันติสันละวิทโทวรุปติเมื่อกามเสื่อมสิ้นไปผู้ติดในกามก็เล่าร้อนเหมือนถูกแทงด้วยลูกศรด้วยเหตุนี้ท่านจึงว่าผู้พอใจในกามก็เท่ากับพอใจในทุกเพราะต้องเดือดร้อนด้วยการแสวงหาการรักษาและการต้องเศร้าเสียใจเมื่อกามต้องเปลี่ยนแปลงไปพัดพรากจากไป หรือต้องจากมันไปก่อนเพราะความเจ็บหรือความตายมาถึงเข้าความสุขจากกรรมมีเพียงเล็กน้อยแต่โทษของมันมากเหลือจะพร น, นาได้ถึงกระนั้นคนและสัตว์ก็ยังติดอยู่ในบ่วงกรรมเป็นส่วนมากไม่อาจพรากใจออกได้เพราะได้สังสมมานานและเพราะสัตว์โลกทั้งมวลเกิดจากตัณหาซึ่งมีกรรมรวมอยู่ด้วย 2. ความทยานอยากหรือความติดใจในรูปพบ ของท่านผู้ใดรูปฌานเรียกว่าภวะตัณหาคนพวกนี้พอใจในรูปฌานและเห็นว่ารูปฌานสี่เบื้องต้นเป็นสุขที่สุดแล้วไม่มีสุขอะไรที่เหนือกว่า น, นั้นติดอยู่ในความสุขฌานอันปรจาจจะการมสามความทยานอยากหรือความติดใจในอรูปฌานหรืออรูปรพบเรียกวิภวะตัณหาได้แก่ความติดใจในฌานสี่เบื้องปลาย เห็นเป็นยอดแห่งความสุขแล้วไม่มีสุขอื่นจะยิ่งกว่าแต่ความจริงยังมีนิพพานสุขการประณีตและยังยืนกว่าความสุขในรูปฌานไดอรูปฌานทั้งสองนี้ละเอียดประนีตกว่าการมัสุขมากนักแต่ยังเปลี่ยนแปลงได้ฌานนั้นเสื่อมได้เมื่อฌานเสื่อมความสุขนั้นก็พันหายไปยังมีอีกภูมิหนึ่งคือโลกุตระภูมิพ้นจากเงื่อมมือของตัหาตัหาเอื้อมไปไม่ถึง พ้นจากโลกทั้งกามโลกและรูปโลกและอรูปโลกนี่แหละท่านเรียกว่านิพพานเป็นความสุขอย่างยิ่งบุคคลผู้สิ้นตัณหาทั้งสามชั้นนี้แล้วย่อมสิ้นความโศกและความกลัวเข้าสู่แดนบรสมสุขอันแท้จริงเพราะฉะนั้นพระศาสดาจึงตรัสว่าความโศกและภัยย่อมไม่มีแก่ท่านผู้พ้นแล้วจากตัณหา เรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ณเชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารกพราหมณ์คนหนึ่งมีเรื่องย่อหนังนี้เดิมทีพราหมณ์คนนี้ไม่ได้เลื่อมใสพระศาสดาวันหนึ่งพราหมณ์นี้ถางนาอยู่ใกล้ริมฝั่งแม่นม้ําพระศาสดาทรงเห็นความถึงพร้อมแห่งอุปนิสัยของเขาจึงเสด็จไปหาเขาเห็นพระศาสดาแล้วไม่ได้ทําสามีจิกรรมคือความเคารพ พระโต้งทรงทักว่าพรามกำลังทำอะไรอยู่กำลังทางที่ทำนาพระโคโดมพรามตอบวันรุ่งขึ้นเสด็จไปอีกตัดถามว่าพรามกำลังทำอะไรอยู่กำลังไถนาอยู่พระโคโดมพระาศาสดาเสด็จไปเยี่ยมพรามโดยในยะนี้ตลอดเวลาที่พรามทำกสิกรรมคือการหวานการไถน้ำการรักษาเป็นต้น ต่อมาวันหนึ่งเมื่อพระศาสดาเสด็จไปเยี่ยมอีกพราหมนั้นได้กราบทูลพระองค์ว่าพระโคดมมาเยี่ยมข้าพเจ้าตั้งแต่วันแรกที่ข้าพเจ้าเริ่มถางที่ทำนาเพราะฉะนั้นถ้าข้าวกล้าของข้าพเจ้าให้ผลดีข้าพเจ้าจะแบ่งปันผลให้ท่านบ้างเมื่อยังไม่ให้ท่านข้าพเจ้าจักยังไม่บริโภคตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอให้ท่านเป็นสหายของข้าพเจ้า ต่อมาข้าวกล้าของพราหมณ์ผลิตผลดีเขาเตรียมเครื่องมือในการเก็บเกี่ยวไว้พร้อมตั้งใจว่าพรุ่งนี้แหละเราจะเริ่มเกี่ยวข้าวแต่คืนนั้นเองฝนตกหนักน้ำท่วมมากและเชี่ยวได้พาเอาข้าวกล้าในนาไปหมดหนาของเขาเกลี้ยงเหมือนตอนที่ถางไวความจริงพระศ า, าสดาทรงทราบตั้งแต่วันแรกแล้วว่าข้าวกล้าของพราหมณ์จะต้องเป็นอย่างนั้นในที่สุด จึงเสด็จไปเพื่อโปรดในคราวที่พราหมีทุกข์ความจริงก็เป็นดังที่พระพุทธองค์ทรงคาดหมายคือทรงเห็นล่วงหน้าเช้าวันรุ่งขึ้นพราหม์ไปดูนาของตนเห็นข้าวกล้าในนาถูกน้ำพัดไปหมดแล้วเกิดความโศกเป็นกำลังเขาคิดถึงพระพุทธเจ้าว่าพระสมณโคโดมมายัางนาของเราตั้งแต่เราเริ่มถางเราได้กล่าวกับท่านไว้ว่าเมื่อข้าวกล้าผลิตผลแล้วจะแบ่งปันให้ท่านบ้าง บัดนี้ข้าวกล้าเสียหมดแล้วความปรารถนาความต้องการของเราไม่สมประสงค์เสียแล้วเขาเศร้าโศกอดอาหารนอนเป็นทุกข์อยู่บนเตียงน้อยพระศ า, าสดาเสด็จไปเยี่ยมเขาถึงบ้านเมื่อเขาทราบได้สั่งคนในบ้านให้ทูลเชิญพระศาสดาเข้าไปในเรือนดีใจว่าพระพุทธองค์ผู้ทรงเป็นสหายที่สนิทของเขาเสด็จมา เขาออกมาเฝ้าพระาศาสดาตรัสถามว่าเป็นอะไรไปเขาถูนเรื่องทั้งปวงให้ทรงทราบเล่าถึงความเศร้าโศกของเขาเพราะการสูญเสียข้าวกล้าและมนโนรถที่ตั้งใจแบ่งข้าวให้พระองค์บ้างไม่สมประสงค์พระาศาสดาตรัสถามว่ารู้ไหมว่าความโศกนี้เกิดขึ้นเพราะอะไรพรามตอบว่าไม่ทราบพระาศาสดาโคตเจ้าจึงตรัสพระธรรมเทศนาว่า ความโศกและภัยเกิดเพราะตัณหาเมื่อพ้นจากตัณหาแล้วความโศกและภัยย่อมไม่มีมีในยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบพระธรรมเทศนาพราหมณ์นั้นได้บรรลุโสดาปติผลมีแต่เรื่องความโศกความผิดหวังนะทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นอนิจจังให้เห็นตลอดคิดว่ามันจะได้มันก็ไม่ได้คิดว่าร้อ์ละมันอยู่แค่เอื้อมมันก็ยังเป็นอนิจจังจนได้น ไม่คําว่าไม่แน่นี่มันแน่จริงๆนะแม้อาหารจะเข้าปากามันก็ยังไม่แน่เลยบางทีสดไม่เข้าปากหรือไม่ก็หมูหมามันวิ่งเข้ามาเตะภาชนะพังมดเลยไม่ได้กินเลยมันมีเรื่องพ่อตากับลูกเขยได้แต่ก็คงไม่เล่าเราเคยเล่าไปหลายทีแล้วเรื่องอ น, นิจจ์พ่อตากับลูกเขย